ว, วันนี้เป็นวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2554วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน12เป็นวันพระเป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราคณะัตธาญาติโยมแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่ควรจะปล่อยปละละเลยวันไหนก็ ไม่สำคัญก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นศาสนาอื่นอย่างเคลต์หรืออิสลามที่พวกเราเห็นเขาก็ยังให้ความสำคัญในวันศาสนาของเขาแต่พุทธศาธสนาของเราเนี่ยปล่อยปล่าล่าเลยจนเกินไปก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะวันปฏิบัติธรรม8ดค่ำสิบห้าค่ำถึงอย่างไรก็ควรจะ เข้าสู่วัดวาศาสนาเข้าไปวัดกราบพระไหว้พระบ้างไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปโดยที่ไม่ได้สนใจมีแต่ชื่อทะเบียนบ้านว่าพุทธเทนั้นเองต่อไปก็จะห่างเหินไปเรื่อยๆสนิมจะเกาะจิตเกาะใจไปเรื่อยๆเพราะเห็นแล้วพราะเราห่างเหินก็ไม่ได้สนใจก็ความไม่สนใจคํานี้แหละ ต่อไปก็เดินห่างออกห่างออกห่างไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ลูกหลานก็ห่างเหินไปด้วยเช่นเดียวกันผลที่สุดก็เลยไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนามันได้เห็นคุณค่าทางด้านจิตใจมีแต่เห็นแต่ทางโลกโลกโหโมโกนะเรืองลาบเรืองยศพอกพูนเขาทางจิตใจเขาไปเรื่อยๆทางศีลธรรมจริยธรรมห่างเหินออกไป นั่นแนหะทำมันใกล้ไปดังหนึ่งมันห่างไปดังหนึ่งนะตามไม่จริงถ้าว่าห่างถ้าว่าเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาศึกษาธรรมะทางจริยธรรมคือทางด้าน จ, จิตใจพูดง่ายๆแต่ที่ว่าออกไปทางนอกนั่นก็คือออกไปทางการทำมาหาเลี้ยงชีพการทำมาหาเลี้ยงชีพคือการเป็นอยู่ทางรูปธรรม รูปธรรมคือเลี้ยงร่างกายยศถาบรรดาศัก ร, ราบยศชนะเสริญที่มองเห็นโลกทั่วๆไปแต่เท่าเข้ามาสู่ทางวัดวาศาสนาเนี่เข้ามาส่งเสริมเรื่องนามธรรมส่งเสริมทางด้านจิตใจแต่โลกทางหลายเขามองไม่เห็นทางนามธรรมเนี่ยเขาเลยทําให้ห่างเหินไปเห็นแต่โลกทางโลกมันมองเห็นทาอะไรมันมองเห็น ก็เลยให้ความสําคัญเรื่องรู ป, ปรธรรมเรื่องนามธรรมมันมองไม่เห็นแล้วก็ลักษณะเหมือนคว้าน้ำเหลวลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าเราศึกษาให้ถี่ถ้วนดีๆตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือลงมือประพฤติธปฏิบัติแล้วพวกเราจะเห็นคุณค่าในทางนามธรรมมากกว่ารู ป, ปรธรรม เพราะนามธรรมจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทําให้คนดีคนเลวทําให้โลกเจริญหรือโลกเลวทามำรับทาให้โลกสุขหรือโลกทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันคือนามธรร ม, า ถ, ามถ้าว่าคนในโลกในยุคสมัยนั้น นามธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีการบังคับกายออกไปจะพูดก็พูดไปในทางที่ดีจะทำก็ทำไปในทางที่ดีเพราะเหตุไรเพราะใจคนในยุคนั้นมีศีลธรรมได้รับการอบรมทางศีลธรรมศีลธรรมคืออะไรคือหลักเหตุผลหลักเหตุผลนันคืออะไรคือความถูกต้องถูกต้องขนาดไหน ที่หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่อันนี้คือความถูกต้องทางโลกแต่ความถูกต้องทางธรรมเนี่ยสรุปแล้วก็คือศีลและธรรมในการอยู่ด้วยกันด้วยการอยู่ร่วมกันเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาแต่บางครั้งตกจุดเนี้ยมันยังเคลื่อนคาดเคลื่อนอยู่หน่อยอบางทีใจเขาเขาชอบไปในทางเร็ว ชอบไปดังกินเหล้าเมายาสำ ม, มะเลเทเมาอย่างนี้แล้วเอาอะไรเอาเอาใจเขาไปใส่เราอย่างนั้นใช่ไหมเอาใจเราไปใส่ปล่อยให้เขาไปอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้ก็ไม่น่าถูกเราก็ต้องเอายึดศีลธรรมเข้ามาอีกว่าการกระทำอย่างนั้นมันเป็นยังไงเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องตัดสินเหมือนกับบทกฎหมายอย่างนั้น ใครก็ใครทำถูกแต่เอากฎหมายมาเป็นอยู่ตรงกลางแล้วก็พิพากษาดูขี้คลายดูถ้าเอาใจชอบอย่างนั้นแต่ผมชอบกินเหล้าอย่างเนี้ยจะเป็นยังไงพิพากษาด้วยซิถ้าชอบพิพากษาเลยขุดกินเหล้านะกินเหล้าใช่กินปากของคุณเงินของคุณคนหามาเองกินเหล้าเข้าไป ถ้า่ากินเสร็จแล้ ว, ลวนอนอยู่ในห้องคนเดียวไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องของคุณแต่เมื่อกินออกมาแล้วบางทีขับรถออกไปไปเฉียวไปชนไปเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาฆ่าคนนี้ด่าคนนี้มีเยอะๆคนขาดเจตดและทำแล้ ว, ลวมันถูกต้องไหมอันนี้ถ้าพิภาคษาดูก็ไม่ถูกต้อง เพยเหตุไเพราะว่าเมาแล้วก็ขาดสติทําความเสียหายนี่อันนี้ก็คือถ้าว่าใจเขาใจเราอย่างเดียวก็น่าคิดอีกเหมือนกันในสรุปแล้วก็คือต้องใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอามาเป็นกระจกเงามาเป็นบรรทัดฐานมาเป็นเครื่องดําเนินชีวิตของพวกเราในหลักธรรมคาสอนนี้ ท่านรับรองมาแล้วเป็นสวาขาธรรมเรานำมาคิดมาพิจารณาออไต่ตรองเหตุและผลใช่เรื่องนี้มันมีเหตุอย่างนั้นแต่มันมีผลอย่างนี้มันมีผลอย่างนี้มันมีเหตุอย่างนั้นคนในคนโบราณในครั้งพุทธกาลเขาก็พูดกันมา อ, อ, อย่างพราหมณ์คนหนึ่งเขาเสียใจ เ, ออเขาไปเล่นสากาคือไปเล่น ทุกวันนะัคือว่าไปเล่นไฮโลนะอ่ไปเล่นไฮโลใกล้ๆวัดป่าเชตะวันพอเล่นเสร็จแล้วก็เลยเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนบ่ายไปกราบเข้าไปกราบสมณะโคดมเนะียเข้าไปเขาก็เสียใจเกี่ยวกับลูกของเขาได้จากไปเขาก็ถามว่าสมณะโคดมอผมรู้สึกเสียใจอในการที่ ลูกได้ได้ลมหายตายจากไปท่านธรรมะโคตรมจะมีแนวความคิดอย่างไรนักษณะอย่างนั้นถามความเห็นพระพุทธองค์ก็บอกว่าสิ่งไหนที่รักมากก็ทุกมากสิ่งไหนที่รักมากก็ทุกมากเพราะนั้นอย่าอย่ารักมันจะจะไม่ทุก พราหมณ์คนนั้นเขาได้ยินคํานั้นเขาก็ควันออกหูเหมือนกันคือว่าไม่พอใจทําไมสมณโคตรมจึงมองในแง่เดียวตามไม่จริงความรักเนี่ยมันมีความสุขต่างมีต่างเยอะแยะไม่ใช่ว่ารักเนจะทุกข์ทีเดียวมันรักมันมีความสุขทําไมยังไม่พูดว่าถ้ารักแล้วก็มีความสุขอันนี้บอกว่าถ้ารักมากก็ทุกข์มาก ทำไมสมณโคดมเอาคำไหนมาพูดจากนั้นเขาเขาก็ออกมาจากที่สนทนากับพระพุทธเจ้าเขามาก็ามาพูดต่อ ว, วงสกาของเขาอีกคือวงไฮโลของเขาวงไฮโลก็แตกวงโอ้สมมณะโคดมพูดอย่างไรอย่างไงไม่ได้ไม่ถูกนี่แหละกิเลสกับธรรมมันมันมันสวนทางกันนะ ผลในส่วนาออกมากมาพูดให้ใครต่อใครใครต่อใครฟังคำพูดคำเดียดถ้าทุกวันนี่ก็คงจะออกวิทยุโทรทัศน์แต่สมัยนั้นมันไม่มีก็เลยออกมาสนทนากันแต่คำต่อคำคำต่อคำมันก็กว้างขวางอีกเหมือนกันจนถึงเขาไปในรั้วในวังปยาปเสนที่โกศลอยู่ในเวียงหวังที่เป็นผู้ใหญ่ปกครองแผ่นดินกรุงสวรรค์ถีในสมัยนั้น พญาเพรเินที่โกศลปกครองกรุงสาวัตถีเอ็นี้ พ, พระยาเพรศินได้ยินนึกสิเอ้มันก็จริงอย่างที่เขาพูดนี่วะ่ะทําไมพระพุทธองค์จึงตัดอย่างนี้วะ่ะบอกอย่างนี้วะ่ะที่นางมัลลิกาที่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าโกศลกําลังในช่วงนั้นกำลังจะล้อมวงสเสวยใใคเคล้าว่ามี เสนาอัมมัดราชสเวกทั้งหลายที่เข้ามาร่วมบงเสวยญเดี๋นี้พระญยาประสิก็เอ่ยปากขึ้นว่าเนี่ยพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าได้ตัดคำนี้ออกมาให้แก่คนทั้งหลายเดี๋ยวนี้คนทั้งหลายกําลังฮือหากันอยู่ทั่วกรุงสวัสดีสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นทุกมากเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยค่อยๆบูชาความรักท่ามีทารักมากแล้วก็มีความสุขถ้าใครก็ตาม อยูด้วยกันแต่รักแล้วก็มีความสุขแต่สมณะโครมพุทธเจ้าเดชะไม่จึงบอกว่าสิ่งไหนที่รักต้องสงนั้นทุกมากแต่นนี้กําลังสนทนากันนางมณิกาเป็นผู้เลิดทางปัญญาท่านก็เสนอขึ้นในที่ประชุมว่าพระเจ้าข่าทีฉันขอแสดงความเห็นพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นที่ทุกมาก อย่างหม่อมฉันหรือพระองค์พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเน่ยรักประเทศชาติไหมรักหม่อมฉันรักครอบครัวไหมรักบริวารไหมรักประเทศชาติไหมพระเจ้าประเสริฐมารักเรารักประเทศชาติรักทุกคนในปทนิบปกครองของเรา ถ้าหาว่าสิ่งเหล่านั้นพัดภาคไปพระองค์จะทุกไหมจะทุกใจไหมถ้าสิ่งเหล่านั้นพัดภากไปพระองค์จะทุกใจไหมพญาเปเสนโอทุกใจจุดนี้เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งไหนรักมากสิ่งนั้นทุกมากถ้าเราไม่รักถ้าเห็นคนเราไม่รักไม่มีอะไรถ้ามันจะพัดพาคไปเราก็ไม่เห็นจะทุกจะทุกใจกับเขาเพราะเหตุไรเพราะเราไม่ได้รักกับ เราไม่ได้รักกับในสิ่งแล้วนั้นเท่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนินกินดาที่เรารักมากอย่างแหวนวงนี้เรารักมากสร้อยสายนี้เรารักมากราคาแพงมากรักมากถูกใจเรามากถ้าเพชรนินกินดาหรือเวชแหวนสร้อยเจนนั้นหายไปเราทุกไหมเราก็ต้องทุกมาก ถ้าว่าเป็น เ, เส้นได้เส้นยามาคล้องอยู่ที่คอของเราเราก็เป็นทำเป็นเครื่องประดับแต่ถ้ามันหายไปเราทุกข์ใจไหมเราก็ไม่ทุกข์ใจเพราะเหตุอะไรเพราะเราไม่รักไม่รักเหมือนกับเพชรแหวนวงหรือเสน้นนั้น อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันสมบัติจิงได้ก็ตามที่เรารักมาก ถ้าพัดภาคจากไปเราจะทุกมากพระเจ้าค่ะพระเจ้าประเสริฐได้ยินคําเท่านั้นนะใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องยอมรับพอยอมรับแล้วก็นั่งลงเดียวนั้นหันหน้าไปทางวัดป่าเชตะวันเอาผ้าเสเวียงปะ เ, เยงเงงะเอาผ้าเสเวียงบาเอาภาพคงทุกวันนี้ก็คงเอาผ้ากามาเสเวียงบาเหมือนกับคนแก่คนเฒ่า เข้าวัดแล้วก็เวลาจะกราบผ้าเนั่นคือเอาผ้าเสเวียงบาสก่อนสแสดงความเคารพจากนั้นก่นั่งปนมมือหันพระพักไปทางวัดป่าเชตตะวันกล่าววันนะโมตัสสะปะข่าววัดโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธสะกล่าวนะโมสามจบข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพูดถูกพูดถูกต้อง ข้าพเจ้ายอมรับถูกต้องที่พระองค์พูดะที่พระองค์ตรัสมานั้นสิ่งไหนที่รักมากสิ่งนั้นทุกมากเนี่ยเพียงคําเดียวเท่านั้นก็ยังใช้เฉไปจนเป็นจนเป็นมาในพระไตรปิฎกกระทั่งทุกวันนี้แต่พวกเรานำมาคิดดูสิว่าอคําพูดแต่ละคําเนี่ยถ้าเราไม่ได้นํามาคิดมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนลึกซึ้งแล้ว มันจะต้องตีความหมายไปนานับประการเหมือนกันอย่างทุกวันเนี่บ้านเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายเนี่ยหลวงพ่อว่าเนี่ยมันมีส่วนมากๆเลยตีความหมายในแต่ละคําออกไปคนหนึ่งตีไปถึงคนหนึ่งตีไปถึงผลในสุดไ ม, ไม่ไม่รู้ใครจะเป็นผู้พิพากษาตัดสินในคานั้นๆ้นี่แหละอันนี้ก็คือคํา อยู่ในโลกวัตสงสารแต่ตามจริงถ้าว่าจนย่อลงไปสู่หลักธรรมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าให้ลึกซึ้งลงไปแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรสิ่งทั้งหลายออกมาจากใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าให้ความสำคัญเรื่องของใจตัวนึกคิดตัวนั่นลหละ เอาศีลธรรมจริยธรรมเขาจุดเข้าสู่จุดนั้นถ้าใจเรามีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีแล้วการพูดก็ดีการกระทําก็ดีก็ไปในทางที่ดีแต่ถ้าว่าพวกเราให้ความสําคัญแต่เรื่องภายนอกเรื่องลาบเรื่องยศสัลเสริญสุขพวกเราก็จะเจอแต่เรื่อง เราต่างๆถึงจะเลี้ยงอย่างไงก็เลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายเลี้ยงเข้าไปแล้วก็แก่เท่าชราไปเรื่อยๆผลได้สูงก็ถึงจุดจบเลี้ยงร่างกายที่เราสองแสวงหาทุกบาททุกสตังตื่นมาไม่ได้หลับไม่ได้อยู่ไม่ได้นอนอกลางวี่กลางวันส่อแสวงหาทรัพย์โตเป็นเกลียวก็เพื่อมาเลี้ยงร่างกายเลี้ยงครอบครัวให้ มีความผาสุกอันนี้ถูกไหมก็ถูกแต่ว่าเราจะไปเลี้ยงแต่ร่างกายอย่างเดียวจะไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะเข้าสู่จิตใจเสียเลยไม่ได้สนใจเรื่องนามธรรมเสียเลยพูดเลยเลยวว่าไม่ถูกไม่ถูกต้องถ้าทางที่ถูกคือเอาทั้งสองอย่างทางโลกเราก็จะให้ขาดตกบกพร่องเออเลี้ยงร่างกายหรือว่าการสะแสวงหาทรัพย์ ปัจัจสี่อย่าให้ขาดตกบกพ่องไม่มีตําราเรี่ยมไหนหรือประรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบทไหนคาถาไหนคํากล่าวไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้ให้ขี้เกียจเนะให้อยู่เฉยเฉยนะใ ห, ให้เป็นผู้ขี้เกียจทําการทํางานนะไม่มีตําราไหนพระพุทธเจ้าโมอบอกว่าอุท ธ, ธนะ อ, อารักขะสัมมาชีวิตา ไปอ่านไปศึกษาดูได้พระไตรปิฎกเยอะแยะไปมีแต่พระพุทธเจ้าสอนสั่งให้พวกเราหมันขยันในการส ะ, สะแสวงหาทรัพย์และก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีจากนั้นพ่อนก็สอนเข้ามาสู่ด้านจิตใจอย่าไปลุ่มหลงมัวเมากับโลกวัตะสงสารจนเกินไปนะโลกกันไปนี่ถึงจะเป็นอย่างนี้เกิดมาพบน้ชาินี้ก็เป็นอย่างนี้ละ เกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ต้องเจนเป็นอย่างนี้อีกพูดใหญ่กระทุกสมใหญ่ผู้น้อยกระทุกสมน้อยจนกระทุกสมจนรวยกระทุกสมสมรวยแต่โดยมากคนเพราะว่าทุกรวยดีกว่าทุกจนถ้าทุกจนโอ้มันทุกจริงๆแต่ทุกรวยคล้ายๆว่าลูกทุกความคิดนี่ที่จะปกป้องในเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆเพื่อจะให้ไปซ้ เสร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาก็เป็นทุกข์ในใจอยู่นี่แหละอันนี้ก็คือการเกิดแต่ทํำยังไงจึงจะไม่ให้มาเกิดจุดนี้แหละเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักต่อพุทธบริษัทสีของพระองค์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ฝ่ายปฏิบัติหรือว่าเป็นฝ่ายพระสงฆ์ที่มาปฏิบัติฝ่ายภายในเนี่ย ท่านจะเน้นหนักเรื่องเนี่ยเรื่องนามธรรมจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้เออบางทีก็ถูกน้าท่วมบางทีก็ถูกไฟข้อเออไม่เจอเรื่องหนึ่งก็เจอเรื่องหนึ่งแต่เจอเรื่องตายเลยแน่ๆไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้มรณะภัยคือความตายมรณะภัยคือตัวนี้ภัยตัวนี้ภัยคือความตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้ แต่ภัยที่จะทำให้ทุกอย่างอื่นนั้นบางทีก็เกิดบ้างสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาท่านโลงเกิดมาในโลกนี้ต้องเจอไม่พบใดก็ต้องชาติหนึ่งเพราะนั้นพระพุทธองค์ท่านบอกว่าอย่ามาเกิดดีที่สุดเล่าการเกิดของสรรพสัตว์ทางหลายพระพุทธองค์ก็บอกการพระพุทธองค์ตรัสว่านะคือวิญญาณคือใจที่มองไม่เห็นเนี่ย ออกจากชาตินี้ ไ, ไปไหนถ้าว่าคนมีบุญก็ไปเกิดไปเป็นเทวบุตรเท ว, วดาอินพรมหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์อ๋อเป็นมนุษย์ที่มีตระกูลคนที่มีบุญเกิดมาแล้วก็สมบูรณ์เมีร่างกายสุขภาพแข็งแรงมีเงินคําทรัพย์สมบัติไม่ขาดตกบกพ่องอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่ที่เกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วก็สมบูรณ์ด้วยอันนั้นคือผู้มีบุญมาเกิด แต่ผู้มีบาปมากเกิดอันนี้สงทานดีอยู่แต่อันนี้สงสินไม่ดีอ น, นสงทานคือทำบุญทำทานมากมากมากมายมหาศาลไปเกิดแต่ไปเกิดขึ้นมาแล้วสุขภาพไม่ดีเพราะอันนี้สงสินเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากเกิดมาแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาแล้วก็ป่วยอีกเป็นไข้อีกเข้าโรงพยาบาลไม่รู้จักออก ผลที่สุดมราณาภาพตั้งแต่ตั้งเป็นเล็กอันนี้คืออันนี้สงสินไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วพวกรที่จะมาเกิดยไปเกิดอย่างไรพระพุทธองค์ก็บอกอีกเลยพวกรที่พวกสัตว์ทั้งหลายทรัพสัตว์ทั้งหลายจะปฏิสนธิในการเกิด อ, อคือพ่อแม่อยู่ด้วยกันผลที่สุดก็สมสู่กันแล้วก็มีกาลละกาลละคือน้ํา ผสมกันก้อนหนึ่งหยดหนึ่งหยดหนึ่งคล้ายๆคนเท่ากับหยดน้ำมันงานะพระพุทธองค์ตรัสไปอย่างนั้นนะในพระไตรปิฎกเหมือนกับน้ำมันงาหยดหนึ่งใสใสติงเลยพอต่อมาอีกเจ็ดวันน้ำมันงานะจะเป็นขุ่นพอขุนขึ้นมาเนี่ยจะเป็นขุ่นลักษณะสีแดงลักษณะสีเลือด พอต่อมาอีกเจ็ดวันสีเลือดนั้นจะเข้มข้นจะเป็นก้อนพอต่อมาเจ็ดวันเลือดก็น่เป็นก้อนขึ้นมาพอเป็นก้อนขึ้นมาแตกเป็นปัญจาสาขาคือขาสองแขนสองสีสันหนึ่งก้อนก้อนเลือดก่อนนั้นพอต่อมาก้อนเออเกินเนนั้นใหญ่ขึ้นมาเพราะใหญ่ขึ้นมาเนี่ยกระดุกกระเดกได้ นี่ละวิญญาณเข้าไปแล้วแต่ไหนวิญญาณคือ น, นามธรรมผู้ที่เป็นผู้ที่มีบากกไปยึดในไปเกิดในท้องอที่จะเป็นพร้อมที่จะหูหนวกตาบอดบ่าใบขากรดขาขาด เ, าเป็นอะไรเป็นได้ทั้งนั้นสมองฟ อ, เ, อเกิดมาแล้ว เ, เป็นบ้า เป็นเออเป็นอะไรเป็นได้ที่เกิดมาแล้วก็เป็นคนดิบคนดีบุญพาไปเกิดไปยึดตัวนั้นน่ะไปยึดร่างกายอยู่ในท้องแม่จากนั้นกับถึงกำหนดก็คลอดออกมาเนี่ะคลอดออกมา ก, กันเนี่ยวิญญาณน่านเข้าไปยึดครองร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยี่แหละปฏิสนธิในการเกิดเพราะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้น อันนี้คือการเกิด อ, ออกมาเป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วก็พัฒนาตัวเองเลยใช่ไหมพ่อแม่ก็แนะนําสั่งสอนเยพอข่าวก่อนมันก็ลืมไปหละทําไมจึงลืมเยพวกเราคิดคิดดูสิว่าแต่สมัยเราเป็นเด็กมาถึงขนาดนี้เราก็ยังจําไม่ได้ทุกอย่างอันนี้ข้ามพบกัรชาติสมองก่อนก็ เ, เผาไปแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าเผาไปแล้วอ แล้วก็มีแต่ใจขึ้นมาก็มาหาต่องสร้างคอมพิวเตอร์ใหม่อีกมันก็คงจะหลงลืมไปนะตัวนั้ น, ม, นมันลืมไปแล้วจนกว่าที่เราได้มาบำเพ็ญได้ฌานสมาธิทำใจให้สงบได้ญาณทัศนะได้ฌานขึ้นม า, านั้นแหละเราจึงระลึกชาติยาวเยียดเลยแต่นเนี่ยุดแท้แต่เครื่องมือใครได้มากน้อยอย่างพระพุทธเจ้าท่านเครื่องมือของท่านบริบูรณ์ เป็นสยามภูพอท่านได้ตัดสรู้เท่า น, นั้นเองท่านรู้ได้หมดเลยเท่า น, นีอว่าพบทื่แล้วชาติที่แล้วเป็นยังไงชาติก่อนของใครเขรู้อีกต่างหากเท่า น, นี้นีน่เราเป็นวัชยมภูแต่พระหันเจเ ต, ตวิโชฉลเพญโยปฏิสัมพิทัปโตพระหันสามจำพวกท่านรู้ได้อีกเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะขีดความสามารถต่างกันอยู่พระหันแต่ พระหันสุ ข, ขะวิปัสโกเนี่ยมันไม่รู้แต่รู้แต่ว่ากิเลสหลุดออกจากจิตใจเท่านั้นเองอันนี้ก็คือการปฏิสนทิและการเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราพนัธตานญาติโยมทุกๆคนนะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยนี่แหละท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรมมากกว่ารู ป, ปรธรรมนามธรรมน่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดการเกิดการ ปฏิสนทิและกกรเสวยขึ้นมาจนเป็นรูปร่างขึ้นมาเนี่ยแต่ท่านให้นามให้ความสำคัญตรงที่เข้าไปยึดเข้าไปปฏิสนทิเนเข้าไปยึดร่างกายเนี่ยทให้กระดุกกรดิกได้และก็ขับรถออกมาจากท้องแม่ขับมาร่างกายของเราออกมาจากนั้นก็เป็นตัวของเราจากนั้นก็พัฒนานจากนั้นก็เอาศีลธรรมจริยธรรมเข้ามาสู่จิตใจ แต่วิญญาณดวงนั้นก็เคยทำบุญทำบาปไว้ในอดีตอีกเหมือนกันนะอย่างพระพุทธเจ้าท่านบาเพ็ญมาเรื่อยๆ เ, เกิดมาพบในชาติใดก็มีถามว่าท่านปาถนะอะไรปาถนะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ปาถนะอย่างอื่นใี่ก็เป็นเป็นติดทิ้งใสมาตั้งแต่ดึกํำบรนยาวนาน แต่ผู้ที่ปาศนะเป็นสาวกก็บอกว่าข้าพเจ้าขอให้พ้นทุกในวัฏฏะสงสารขอจะได้มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารนี้เถอะทุกยลำลําบากถ้าเกินถึงเป็นเศรษฐีกระทุกตามเศรษฐีเป็นพ่อค้ากระทุกตามพ่อค้าเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกตามที่พวกเราเกิดมาจากนั้นก็แก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะมีความสุข เนนันตาการตอนที่ตายเนี่ยตายไปแล้วก็ไม่ไม่ได้กลับมาบอกอีกในภพนั้นชตินั้นแต่มองมองดูแล้วทุกข์จริงๆก่อนที่จะใจจะขาดเราก็คงจะเหมือนอย่างนั้นเหมือนกันคงจะทุกข์มากๆก่อนที่ใจจะขาดนั้นขอจะได้มากเกิดในวัฏสงสารนี้อีกขอให้ถึงนิพพานโดยเร็วด้วยเถินอันนี้คือคือความปรารถนาของภาษาบอก พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อว่าพวกเราก็น่าจะปรารถนาอย่างนั้นเหมือนกันนะทำบุญทำทานให้ทา น, ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติสั่งสมคุณงามความดีมากน้อยก็ขอให้ดวงตาเห็นธรรมพ้นทุกนายวัฏสงสารอย่าได้มาเวียนไหยตายเกิดนั้นแหลนะถูกต้องที่สุด ก, ก่อนที่จะทำอย่างนั้นได้เราไม่ใช่ว่าจะอยู่เฉยๆหลับ อติเลกขลาหรือยศฐานมันดาสักจะมาพาดมาเกยความสุขจะมาพาดมาเกยก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เราต้องบําเพ็ญ น, นะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาบําเพ็ญในวันนี้ให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัตินี่แหละการบําเพ็ญเข้าสู่จิตใจการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจทีละน้อยทีทีละน้อยละน้อยถ้าเราห่างเกินไปก็เหมือนขันน้าอยู่ในตุ่มในองค์ของเรานะฝวดไม่ตกมาเพิ่มเสเลย มันก็เกิดแห้งไปเรื่อยๆตามมาเพิ่มเติมเข้าเรื่อยๆตุ่มไปด้านก็รู้สึกว่าน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าเราไม่ได้เพิ่มเผลอๆมันก็แห้งเหมือนกันนะ้ํามันถูกอากาศเหมือนกับน้ําอยู่ในตุ่มเพราเห็ุไรเพราะเราออกหันหลังเขา้าหันหลังต่อวัดว า, าศาสนาหันหลังต่อคุณงามความดีมันกลับไป หันหน้าต่อความชั่วไอ้ที่จะเนี่นี่แหละมันแห้ง่ะทําให้ใจของเรามันแห้งหันหน้าต่อความชั่วไม่รู้อะไรทั้งตูราทั้งนาลีภาชีกีฬาบัตสิ่งไหนที่ตัวเองชอบกว่าคว้ามาใส่ตัวเองเนี่แหละใจของเราเพื่อแหกเหงือดแห้งไปธรรมก็ค่อยแห้งแห้งแห้งลงนะนี่แหละเพราะนั้นพวกเราอย่าให้มันอย่าให้มันแห้งเกินไปพวกเราได้มาพบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะสั่งสมคุณงามความดีน้าวันนี้พูดเสียยืดยาวนะอาตอนนไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร